นักไปชนิดหนึ่งไอ้ขมว่ดใจหนักเปหมายความว่าใจไม่ยกน้ำส่วนอารมณ์การปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้จะต้องมีความฉลาดไม่ใช่ปฏิบัติแบบโง่แล้วก็ต้องรู้จักการวางอารมณ์ไม่ใช่แบกอารมณ์รู้จักวางภาระไม่ใช่แบบภาระ ตอนนี้ก็หมายความว่าการเจริญพระรรมฐานที่แปลกต่ตามย่อมมีอารมณ์เสมอกันหมดนั่นก็คือหนึ่งเราจะต้องแัดกังวลเสียหมดตามที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าไปโพคือขึอ้นชื่ว่าความกังวลใดๆต้องไม่มีกับเราในการณีสองทุกท่านจะต้องมีสีสิ์ ทำว่าศีลบริสุทธิ์นี่ถ้าจะบริสุทธิ์แต่พะเวลาปฏิบัติกรรมฐานไม่มีผล <c oughs> เราจะสักเกตกันเลยว่าคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์อารมณ์ทิพย์ไุญญานไม่เคยหรือบางท่านศีลบริสุทธิ์แต่ว่าบริสุทธิ์ไม่มากมีจุดต่างมากเล็กน้อยบุกตองในศีลแต่ศีลไม่ถึงขอบเขตมีสมาธิพอสมอควร สามารถจะยกจิตขึ้นโูเขตปัจจุลามุนีเจดีสถานได้แต่ว่าเข้าพัจจุลามุนีไม่ได้กรณีที่ว่าผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลอการปฏิบัติแบบนี้และจับคนได้ไม่ผิดถ้กว่าศีลบริสุทธิ์สมาธิทรงตัวดีคําว่าสมาธิทรงตัวดีอีกเขาแนะนําบอกว่า ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกพระบรรดาว่านามาาัสสะเวลาให้ใจเข้าว่านามะเวลาายใจออกว่าปะทะบางคนบาคนเลยเกินไปอย่างอื่นได้ไหมก็ได้เอาอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าผลการปฏิบัติแบบนี้ไม่มีนี่ไม่เป็นการบำเพ็ญนาจะเพราะจิ่แค่เพราะอภิญญาประเภท น, นี้เขา แต่ว่าติดเองท่านมีสมาธิดีมีศิลดีแต่ว่าวิปัสสนาญาณเกรมปลดเองท่านไม่ดีก็ไปกันแบบประเภทคนไปในแดนแดงเหมกขมัวก็ไว้ว่าเวลาใกล้ค่ำถ้าทิศตกดินแล้วถ้าจันยังไม่ทะเยอทะยืนเวลานั่งเขมกขมัวการรู้สึกเห็นภาพก็เห็นแบบนั้นําๆดำถึง การรู้เห็นแบบไันก็เป็นเครื่องที่สูจเมื่อจิตของเราอยู่ในขั้ของฌานโลกีถ้าอารมณ์จิตทุเรรดาท่านพุทธบริสัทธ์อยู่ในอารมณ์ของมรสูดาปันการความรู้สึกเห็นก็จะเห็นห้คล้ายกับว่าเมื่อแสงจันทร์ตกไปแสงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นมาแล้วอารมณ์ที่สองก็ได้กับแสงทองขึ้น จะมีความสว่างขนานั้นเห็นหน้ากันถนัดแปลว่าไม่แจ่มใสไม่เกินไปถ้าอรมณ์ใจก็มันดาท่านพุทธบริษัทเข้าเขตถึงพระสกิทาพระนาคามีถ้าเข้าถึงพระนาคามีนี่คร่องตัวทุกอย่างการมีความรู้สึกเห็นทานจิตกริ่นชัดเนจนแจ่มใสเหมือนกับเรานั่งเงองู่เวลานี้ แต่จะเคลื่อนตัวไปไหนก็เร็วฉับพลันปนนุ๊บปุ๊บก็ถึงปักนี่การจะดีหรือไม่ดีเห็นชัดหรือไม่ชัดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนเป็นหน้าที่ของพูกสนนนันเองครูมีหน้าที่เหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารเมื่อทำอาหารระวางไว้ขึ้นหน้า เมื่อท่านไม่กินก็ไม่มีใครเขาจับยัดปากเข้าไปหรอกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สนใจเราเลวความเลวของเรานี่ใครแก้ไม่ได้นอกจากเราอย่างเดียวเลวก็เล ว, เลวยังไงก็อย่าพูดให้ฟังตามระเบียบของการเจริญสรงขารฐานลำดับแรกเราจะต้องตัดความกังวลเป็นความวุ่นห่วงใยทั้งหมดทุกอย่าง หนึ no er ar, hombres, decir, ini, ่งเราจะไม่กังวลเรืองทรัพย์สินนาต่างที่เป็นของเราและกันเรื่องของเราหลายเราเวลานี้เนี่ยเราจะไม่เอาใจไปยุ่งกับทรัพย์สินน่าต่างทั้งหมดทั้งบ้านแล้วเรือนแล้วทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามไม่อยู่รายการที่สองจะไม่ห่วงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ รายการที่สามเราจะไม่ห่วงบิดามานานันดาปมดทีดาสามีและบุคคลต้นเลื่องเช่กันและแรายการที่สี่เราจะไม่ไม่หวงร่างกายของเราตัดเจมหมดเอาจิตอย่างลงสู่ธรรมตาม ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงสรัสวันบรรลุอภิสิทธิ์ส ม, สมยาสัมโพธิญาณความรู้นี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า และผลที่พระเได้รับก็ผลเป็นผลที่ได้รับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้รับแต่เรากำลังก็เราอ่อนกว่าวันนั้นพระพุธทธเจ้าได้รับแรกคือปุกเปนิวาสานุสติ ญ, ญาณารักชชติได้แล้วก็มาจดตูปปาติ ญ, ญาณรู้ว่าคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดก่อนจะมาเป็นคนนี้มาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหน แต่ว่อเราก็หยับเข้าไปนิด็นการได้มโนยิทธิมีนิทธางใจดิเวตันุนว่าเราจะต้องตักดกำลังใจอย่างพระพุทธเจ้าตัด ก, กังวลตัด ก, กังวล น, นอกไม่สำคัญเท่าตั ก, กังวลในตัด ก, กังวลในเขาทำกันยังไงส ม, สมัยความเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรทั้งหมด พ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีพัวไม่มีเมียไม่มีทรัพย์สินไม่มีแม้แต่ร่างกายของเราที่ตั้งอยู่เวลานี้ร่างกายมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเปรียบเหมือนบ้านเช่าชั่วคราวมันแก่ไปทุกวันแต่มันก็มีอาการป่วยในที่สุดมันก็ตายมันตายเราไม่ได้ตาย คำว่ามันตายกหมายถึงร่างกายตายไปจิตใจไม่ได้ตายไปด้วยเพื่อจิตใจไม่ตายถ้าจิตดีจิตสร้งกายตายจิตไปตายจิตมีอารมณ์ดีเป็กุศลก็ไปสู่สวรรค์บ้างพุทมันโลกบ้างลิขานบ้างถ้าจิตเลวก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างแต่สุรกายบ้างไปสติลิชานบ้างมาเป็นคนบ้างการที่มาเป็นคนไม่ได้หมายว่าจิตดีและจิตมันเลว มันติอะไนอำนาจของกิเลสทันอาวปาทานในปสุนกรรมมันยังมาเป็นคนกเกิดกายเกิดเป็นคนนิยาธนลงตนหรือวิเศษเราเป็นธาตทุกอย่างธาตของทัาหาเราจะมีความทุกข์เป็นอันว่าให้ทุกคนตัดกังวลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัดร่างกายเราโดยเฉพาะวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่า เมืน่อนัง่งดรดิโกนต้นโพตั้งทรงตั้งใจว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุอภิเศษสัมมาสติญาณเทวายาเลือดและเนื้อจะแห้งไปแม้ชีวิตทินตินซีจะแตกสจเราก็ยอมพร้อมที่จะมายอมลุกจากทีน่นี้ถ้าไม่ได้ก็ปล่ห้มันตายไปเสียไปง่ายๆมันจะตายก็เฉยตายได้าากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา นี่เราก็ต้องตัดสินใจอย่างองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกั น, นเวลาที่เราปฏิบัติเราต้องตัดสินใจว่าเราพร้อมขันข้ามมันจะพังเมื่อไรก็ช่างมันแต่ใ จ, ใจของเรานั้นต้องการสนิทใจเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดไม่มีแม้แต่ร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเหมือนกับเสื้อมันกับกาง ที่เวลาไม่ขาดแล้วก็ปลดทิ้งไปเปยนชุดใหม่เข้ามาตามกำลังของกรรมที่ตั้งใจแบบนี้นะเพาะฉะนั้นเวลานี้ตัดสินใจเสียทีว่าเราเป็นบุคคลตัวผู้เดียวไม่มีใครทั้งหมดแมต่ร่างกายนี้องค์สมเด็จพระสุรมสุข้อยกติว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พองเราร่างกายมันเป็นชาติสีเข้ามาไปชุมกัน ธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟแต่แรงการสาสองตาธิรุขาเมื่อเพียเกิดมันก็เปทุกข์เจราริรุขาความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์วรบํบริรุขังเมื่อความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ก่อนที่จะตายการป่วยไข้เมื่สบายมีขึน้นมันก็เป็นทุกข์การทามาให้ทิ่งมีความเหน็ดเหนล่ยมันก็เป็นทุกข์ เป็นอำนางกายนี้เป็นก า, กายฝังความทุกข์เก็บความทุกข์เอาไว้ทำให้ใจเราทุกข์ไปด้วยฉะ น, นั้นร่างกายนี้เราจะไม่มีมันีมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปร่างกายอย่างนี้ไม่มีการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสําหรับเราการเกิดเป็นนิวดาหรือลมก็จะไม่มีสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิทาน ถ้ามีคนที่ถึสิงห์ด้วบริขัยเขาทำกันยังไงรักษากำลังใจต่อไปหนึ่งต้องมีสินบริสุทธิ์เป็นปกติสำหรับประวาติตรงสินห้าบริสุทธิ์สินห้านี่ยรงได้เป็นพระโสดากับสกิทาคามีถ้าจิตก็เราเข้าถึงพระอนาคามีจิตจิตก็เราก็รักษา1ิแปด ชิ้นแปดไม่เกิดขึ้นมาเองพระนาคา ม, มีเป็นพรหมจรรย์ไม่มีผู้รองดังนั้นเมื่อก็อนาคา ม, มีเข้ามาถึงชิ้นแปดที่พขาเข้ามาถึงเรื่องเรื่องเขาสิ่ง น, นี่ไม่ใช่จะมาบริสุทธิ์กันวันนี้ถ้าควรจะบริสุทธิ์กมาเสียก่อนถ้าสิ่ไม่บริสุทธิ์มากร่อยไปตัดสินใจเสนยเดียวนี้ ว่าน Aa, ับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงกว่าจะสิ้นลมปราณเราจะทรงสิ่งทีเราให้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าชีวิตเราจะรักสิ่งทีเรายิ่งกว่ารักชีวิตเราจะพยายามรักษาสิเน่งแยให้หมดให้ใหกบริสุทธิ์ให้หมดทุกสิขาบทไม่ยอมไม่สิขาหมดใดสิขาบมดหนึ่งบกกร่องตัดชินใจญ่ที่นั่ ที่ไปกันไม่ได้ไม่ได้ชิ้นขาดบ้างชิ้นด่างบ้างชิ้นค้อยบ้างสรีไปไม่ได้ก็ก็ทรงอบับที่มันมีความสำคัญตั้งแต่ปลายปีขึ้นไปยังไง่เนมีเหยุ อ, ห อ, อะไรคนระับพระที่ราฝุกยากยากเพาะอะไรระพระมีชินสองรอยยี่สิบเจ็ดแต่บางองค์ินเหลือไม่ถึงห้าตัวถ้ายัางโกหกเป็นก็นขาดไปแล้วไอ้ชิสองรยี่เ็ไอ่มีเราชิ้นห้าขาด นี่แหวว่าข้าทานมองตนว่าผู้มีศีลมากในความจริงไม่จริงบางองค์มีศีลไม่ถึงสองตัวในศีลห้าไม่ศีลฆ่ามันไม่เข้าประศีลตอนร้อยยี่สเจเ็ดมันจะมียังไงนี่ที่ไปก็ไม่ได้เพียงเผลออยูก่ก็อารมณ์ น, นี้เป็นสําคัญกิจการต่อไปคนที่ไปก็จะผ่านได้เราต้องทรงอารมณ์ผิดมีสมาธิเพื่อมีความตั้งมัน่น จิตใจตั้งมัง่งมีการละความโลภละความโลกรธละความหลงควลลำว่าสมาธิก็แปลว่าตั้งใจเอาจิตใจเข้าไปจดจ่ออยู่ในรมนั้นความโลภเราทําลายด้วยการให้ทานความโกรธทําลายด้วยการรักษาศีลความหลงทําลายด้วยการเจริญภาวนาตัว น, นี้ เมื่อเมีสมาธิดีแล้วก็ต้องมีพิพิชณาญาณดีพิพิชนาญาณดีเขาอาจมาตามที่แล้วมาที่นี้รวมความแล้วว่าเราเวลานี้เราจะไม่มีความห่วงความกังวลใดๆทั้งหมดจมํำมาให้ดีนะแม้จะร่างกายของเราเราก็ไม่ห่วงเลยมันจะตายฉันได้เวลานี้ประเจน ถ้าจิตใจท่านมีความเข้มแข็งแบบนี้แล้วกวันนี้มันก็ได้ฝึกกันไม่ถึงสิบนาทีมันก็ได้ไม่ยากถ้าตัดจังวะฉันได้แล้วมีสีรบริตรรมสมาธิคือการส่งตัวของจิตที่ปรัชนาญาณเขาจะพูดมาตอนตัดจังวะนั้นนี่ขอบันดาท่านพุทธบริตรทุกคน ที่ปฏิบัติได้แล้วห้ือปฏิบัติไม่ได้ต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติคำว่าปกตินี้ให้มันทรงติดอยู่กับใจตลอดเวลาไม่ใช่เลี่ยงไปตั้งท่าตั้งทางเมื่อ น, นั้นจะทำอารมณ์นั้นจะต้องเวลานั้นอารมนี้ต้อเวลานี้มันต้องทุกลมให้ใจเข้าออกที่เราควร อ, อดีกัน ไม่เรียนฝึกเพื่อเที่ยวไปสวรรค์มาเที่ยวในโกเราฝึกเอานิพพานกันโดยตรงการฝึก อ, อย่างนี้ไม่ใช่ฝึกเพื่ เ, พเที่ยวฝึก เ, เพื่อต้องการให้ทุกท่านถึงพนิพพานในชาตินี้และในวันสองวันนี้แหละนี่ที่เขาจะมากันวันเดียวได้ เ, เขาทํากันอย่างนี้พวกคนพ้นโลกที่เขาจะมากันมากาเพราะว่าคนมาจากตัวเรือ เขามาฝุกวันเดียวก็ได้มีอารมณ์แจ่มใสมากไม่เพราะมีเขามีจิตเข้มแข็งแล้วกลับไปเขาไปแวะที่สรมพินคนพลโลกเขาไปขอขอบคุณคนที่นั่นปัญนาที่การเขามาเล่าฝกเราก็อาศัยเขาลงมาฝึกอยู่จนเขามีมีรกาตรู้แล้วก็มาฝึกปฏิบัติจิตใจของเขาเข้าถึงความเป็นพระเดจเจ้าขันโสที่มีความสงสัย ความไม่ท่าระยะมีตรงไหนเป็นของไม่ยากถ้าโศนได้กับสกิชาคา ม, มีมีอารมณ์ความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายไม่เสนได้ชีวิตคิดว่าจิตตรงทําเป็นของดีที่สุดงนั้เรียกว่าไม่เส้นได้เพรู้ตัวเนจะตายแต่ว่ามันเมื่จะตายแล้วก็ไม่ยอมเป็นนี้เร็ว ตายเป็นผีก็ต้องเป็นผีดีก่อนที่จะเป็นผีดีก็ต้องเป็นคนดีดก่อนคนที่จะดีได้อย่างไงตัวคนหนึ่งยอมรับนับสอความดีของพระพุทธเจ้านับถสีพระธรรมนับืีพระอริยสงฆ์มีสินห้ามริศกิตตั้งไว้จะต้องปิบพาิเท่านั้นคือมีจิตต้องการรักนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความดีที่เราทําสงเคราะคนสงเคราะสัตว์ท้งสาวสิงเดินภาวนาอารมณ์เราต้องการอย่างเดียวคือไม่ต้องการการฆ่าต้องการสิ้นสยนีอย่อารมณ์คุณระโสดาบันนี้จะมีผู้ใจยอดองไ ง, ไง่ายในหลงพรโสดาบันในทุกความตายเป็นปกติ ยอมรับทั้งที่กฎของกรรมแล้วก็สองไม่สงสัยในคำสอนองค์สุดเด็ดของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าไม่สงสัยในเวลาที่ทุกสังเนี่ยก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ตั้งใจจำจำแล้วก็ตั้งใจคิดที่เจรณาธรรมนั้นจะตั้งเองเป็นคนลแล้วสามที่นักปราชญ์โบรมาม คือมีสินหากกน้าครบถ้วนแล้วก็จิตวิญญาณเป็นอารมณ์เท่านี้ก็โสดาบันไม่มีอะไรมากคือก็นึกถึงความตายว่าเราจะต้องตายต้องมีความเคารพตัวพระเจ้าจริงเคารพในพระธรรมจริงเคารพในสัรญยสงฆ์จริงมีวิญญาณมีวิญญาณเป็นอารมณ์คิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิด ถ้าต่อไปราคายอย่างนี้ไม่มีมเราต้องการที่ขาดทําใจเท่านี้ทําได้ยไหมทำบอไว้ยากก็เป็นพเป็นเหยี่ยคนรกแ น, น่นอนแล่นสาหรับท่าทิศทาง ม, มีพระาราชทตรงสู่กันจะตัดความโลภเบาลางลงความโกรธเบบางลงความหลงรู้เบาบางลง อันนี้เป็นจุด ท, ที่เราจะเข้าสึงทำจิตของเรายเข้าถึงเข้าเวลานี้เลยก็ได้ปาเป็นโสดาบันจะเป็นยากอะไรที่เรามากันนี่เราก็ถ้าหากว่าจะมาดูหรือมาลองเรื่องหนึ่งนะสําหรับคนที่ตั้งใจมาในความจริงใจก็แสดงว่าทุกท่านไม่มีความรู้สูงว่าจะต้องตาย ถึงแม้ว่าท่านไม่คิดว่าจะตายท่ทานก็รู้ตัวว่าท่านจะต้องตายเมรู้ตัวว่าจะตายนี่เรามาเอาดีกันดีที่เราจะได้เป็นเบื้องแรกขป็นื้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจคำว่าเคารพเองก็แปลว่ายอมรับสักถือนะยอมรับแักถือในคำสอนเขาสอนแล้วไปยังไงราก็ตั้งใจจําแล้วก็ตั้งใจประพฤปฏิบัติตาม ความเคารพในพระธรรมในความจริงใจความสามความรักในพระนพระอริยสงฆ์นความจ ร, าารางิงใจแล้วก็สี่มีศีลฆาบริสุทธิ์ทําได้ไหมตัดสินใจได้ไหมแล้วก็หา้ามีพริพพานเป็นอารมณ์ไั่ใช่หมายความว่ามีความต้องการพริพพานอย่ า, า, างเดียว ไม่เห็นจะมีอะไรยากเนี่ยถ้าเป็นคนดีแต่คนที่บอกว่ายากก็แสดงว่าคนนั้นเร็วที่ขนาตอนนี้ถ้ากำลังใจทวัดได้แค่นี้ถ้าตวัตต่อไปที่หนึ่งข้ามออกไปหาว่าอรหันเลยถ้กากำลังใจคนที่ได้มันแล้วนะไม่ควรจะเกาะแค่นี้แต่จุดนี้ต้องเกาะไว้มันเหมือนกันว่าอย่างเล็วที่สุดในรลกทรงอารมณ์เป็นพระโสดาวัน ใ น, นเมื่อสมารงเป็นมรรคดาวันได้ท่าวก็ตัดไปถึงอรหันต์เลยถ้าทรหันมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีร่างกายของเราก็ดีร่างกายเรากคนดี ก, ก็ดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ร่างกายเป็นเงินท e ma ่าสีี่แสนสุขหลกที่เราใส่โชคด้านนั้นไม่ทรามในตัวกงถึงคนเดินไปเดินมาจะสวยขนาดไหนก็ตามเห็นเต็มได้วยความสุขหลกคิดว่าไม่ทราบเาไปทราบไม่ทราไปสบเห็นทัพน์สินงที่ไหลก็ถือว่าสินงทา่เหล่านี้ไม่จะเป็นสัจจัยขอความสุขเป็นปัจจัยความทุกข มันไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่ า, าในเมื่อเรามีชีวิตรเราต้องใช้เราก็ต้องหาแต่คิดไปเสมอว่าชาตินี้ชาตุดท้ายคือมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีอมตมโลกก็ ด, กกดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระิพพาพระอาริยเจ้ามีองณ์สาคัญอยู่บทหนึ่งไปจำใจ อารมณ์นั่นก็คือความาช่างมันใครเขาลิขาว่าร้ายประชังมันใครเขาเสันเสริญประชังมันไม่ถือเอาแต่สองอย่างทุกเวทนาจะเกิดทางกายและทางใจประชักมันที่ว่ามาเสียดอยากโง่เนี่งโง่เกิดมามันต้เป็นอย่างนี้แต่แล้วก็โง่ชาตินี้เป็นชาติุดทไปต่อไปไม่โง่แล้ว อารมณ์ใจสบายบายเฉยเป็นปกติถึงคนสวยมากก็ไม่มีอารมณ์รักมันเป็นเฉยเห็นไมเขาร่ำรวยมัก็เ็เฉยที่าันรยยมันไม่ชาไมตายใครก็ยั่วายาวาว้าให้เราโกรธก็เห็นว่าไอ้เรื่องคนยั่วย้า้เราโกรธแล้วก็ให้รโกรธคนนั้นไม่ใช่คนดีหรือคนบ้าเพราะอะไรพกคนให้เร า, าปีกันตัวกันก็เปสัตรูกัน คนดีช่วยทำอย่างนี้เจอคนบ้าโมราณได้บอกว่าจะถือคนบ้าจะว่าคนเมาล้วเขาจะบ้าเขาบ้าเข้าไปคนเดียวเราไม่อยากบ้าด้วยไม่ช่วยป้ากันในเดือการต่อไปก็ตัดโมหะคือความหลงจิตปักตรงเฉพาะปณิขันแค่นี้ไม่มีอะไร ถ้าว่าได้อย่างนี้จิตเป็นสังขารเรืขงายาที่เรียกว่าช่างมันช่างมันได้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเป็นสังขารเรืขงธาญานและวิปัสนาญาณก้าวถ้าใจเราเฉยได้อย่างนี้อารมณ์ก็เป็นอารมณ์ราหันถ้าอารมณ์ของคนแต่อรก็ราหันเวลาทียกจิตไปสู่พุทธสารมันจะมีความสว่างแทรกซ้ายกับท่าคิดในเวลาเที่ยง ซึ่งไม่มีไม่ฟังฉะนั้นขอทุกท่านจำไว้ดีนะว่าไอ้ที่จะมืุติจะสว่างนะเวลาพูดไปแนละ้วใ่รมาย้อนถามนะแต่เขือนย้อนถามก็ไม่มีเวลาครับก่อนแนละ้วคนมากไปกันพูดนี้พูดให้ฟังทุกคนไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งฟังโดยเฉพาะฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ปฏิบัติ จะไม่สอนเลยเขไม่มาจำที่จำชใจกันแบบนี้หรอกเขาสอนครั้งเดียวเขาคงคําปาไปปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้เราไม่อสอนต่อ <c oughs> นี่แค่สอนเท่านี้ยังไม่พอยังครูเข้าไปแนะนำอีถ้ายังไม่ได้มันก็เกิดมีสายที่ท่านจะเกิดบนสวรรค์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเลือกผมนรลกตาปฏาิญาใจจะไปทุนไหนก็ตั้งใจไว้มันได้ไปแน่นอน <c oughs> ตอนนี้ก็มาแนะนําวิธีปฏิบัติกันทีนิดหนึ่งในเวลาที่เราปล่อยกับงเข้าภาวนาก็จับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวันลนะมัด้ออกนึกาาว่าพระพ้ะก็จะมาถามกันทีนะว่าทําไมต้องภาวนาไว้อย่างนี้ถ้าสงสยยัยนี้ก็กลับบ้านได้พระเขาไม่ได้พูดให้สงสยัย นักปฏิบัติที่ดีนักเรียนที่ดีเขาสอนยังไงก็ตั้งตั้งใจตามนั้นถ้าอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นมันจะไม่ได้อะไรมันเป็นอีวอนไม่มีทางจะได้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกอนนะมะพระทะใจเข้านึกวันะมะใจออกระพะทะถ้าขณะที่ภาวนากระจับลมหายใจเข้าใจออกจะทำภาวนา อย่าไปเล็จใจเห็นโน่นเห็นนี่เปรังค า, าเล็จใจเห็นโน่นเห็นนี่ที่ชาติมันก็ไม่ได้ก็จิตมันไม่เป็นสมาธิอันนี้มาอีจออกจุดหนึ่งเมื่อเวลาที่ครูเข้าเข้าไปแนะนำตอนครูเ้าไปได้นาตอนนี้ให้วางอารมณ์เสียหยุดภาวนาหยุดกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ทำใจเบาๆสบายๆถ้าสมาธิมันแน่นเกินไปมันขึ้นไม่ได้ลายสมาธิจะได้หน่อยให้ลมมันทร ง, งตัวคำว่าเห็นก็คือจิตสัมผัสลูกตาในรหลักจนแล้วแนละ้วจะลืมอย่าแบกความงงกันมากเกินไปบางคนไม่เห็นนั่นไม่เห็นนี่เขาลูกตาหลับก็ไมันด้เห็นอะไรยังไม่ได้ใช้ตาเห็น คำว่าคิดไปจัุร ญ, ญาณแปลว่ามีความรู้สึกทางใจปลาตาทิตมันเป็นความรู้สึกเมื่อคืนนี้เราพูดทีแล้ ว, ลวหมือนกับว่าฐานของท่านนอยู่ที่ไหนเราจะบอกได้บ้านทาสีอะไรเราก็บอกได้บ้านลักษณะแบบไหนพื่ติดหเป็นไม้ล้วก็บอกได้ดบบ ไ, ไอไ้ที่เราบอกให้ให้ตามมังเห็นได้ชิตมันนะึกบอกห้าอย่างนี้พระจิดนึก ไม่นี่ก็มีกัน <c oughs> ถ้าอรมณ์เราตา่ำถ้าจิตเล็กมันก็มโมโหถ้าจิตสัองขัสแต่ก็ถามว่าเป็นลานี้เห็นองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าอารมณ์แรกเขาจิตมันบอกว่าเหน็นมนุษย์มันก็อยู่เขาบอกอนี้ถามก็ถามพระพุทธเจ้าสรงเสี้ยนสีอะไรถ้าจิตมันบอกแด<อ>งก็แดงเลยจะไปสงสัย ถ้าจิตมันบอกขาวก็ขาวจิตบอกเขียวก็เขียวเพื่อรู้กม่ไปสำคัญแต่ตอนตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างพราะท่าสมาธิไม่ดีมันจะมีจิตสัำคัดแบบโม่มวดพอตัดสินใจัยตัดกัญญาได้ดีขึ้นไปสู่พระจุลามนีจะสว่างขึ้นพอถึงมรรคายก็สว่างมากขึ้นแต่สว่างมากก็สว่างน้อยถ้าใช้ิตทเป็นตาอริยะของท่าน ดังนั้นข้นาพนัายวัตถุบริษัททุกท่านจาไว้ให้ดีนะบางคนมาพูดหม่ไม่สว่างเลยโ ม, โมโม่ถ้าอย่างนี้ก็ใหญ่จะถล่มน้ำหมาท่ขอโผล่เสียสอนไม่จําอันนี้ไม่ต้องการแล้วต่อจานี้ไปข้าพนันาทายวัตถุบริษัททุกท่านตั้งกายให้จงดำดวงจิต ใ, ให้ใหม่กำหนดรู้ลงในใจเข้า ใ, ใจออกใช้ขาวนาาวนามนามะภะทะ เวลาใจเข้าในกวานาคเวลาใจออกในกว่าภาทะจนกว่าครูผู้สอนจะเข้าไปแนะนำทา่าน